ต่อไปจะได้สวดหน้าร้อยยี่สิบแปดตติยังกรณียเมตสุตัง รารนิยมัทธกุสเลนยานต่างสันต่างปัตตางอภิสมเหจะสาโกอุชูจะสุหูชจะสุวัจูจะสมุตุอนติมานิสันตุสกโกจะสุภโรจะอาภิกิตจูจะสันละหุกะวติสันตริโยจะนิปโก ว่าจะอาภะคาพัวกุเลสุอนันุนเคตอนนะจะโคดทางสมาจะเรียกินที่เยนวิยนยวนมะเรออุปวัทยยุงสุกิโนวาเมิโนหอนตุสเพสัตตาปวันตุสุกิตาตาเยเกติปานะปูตตาติตาสาวาทาวารา วาอนวาเสสาธิขาวาเยมหันตาวะมจิมารสกาอนุกัตถะอาทิทถาวายะจะอาทิตถายจจทูเรวสันติอวิทูเรปูตาวาสัมเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะ โระรปรามิโกเพตนาติมันเยตการตจินังกินทิพยารสนาปฏิคสัญญาณญามัณญาสุกขเมธชัยมาตาทานิยังพุตตังอายุสาเอกปุตตมนุราเคเอวังปิสะภูเตสุมาณสัม สัมพาวะเยอปริมานังเมตตันจะสัพพโรกัสวิงมานสัมภาวะเยอปริมานังอดทางอโถจะติริยันจะอสัมภาทางมาเวรังอสปะตังติดทางจะรังในสินโนวาสยาโนวะยาวะตาสวิคตมิโทเ เมตังสติงอธิทัยะปรามเมตังวิหารังอิทมหุเิดทิจ้จะอนุปการมัสสิลวาทาสัสเนนะสัมปันโนการเมสุวินยัาานยยะเขตังในชาตุขาปไัยังกุณเรติเตติต